มีหลายคนที่เมื่อมาที่นี่ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขานะในการมาอยู่ป่าหลายคนก็จะรู้สึกก ล, ลัวก็ถามว่าที่นี่มีอะไรที่น่ากลัวหรือเป็นอันตรายไหมาก็ตอบได้ว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือถึงมีนะก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจของเรา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 บริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่ต้นไม้ค่อนข้างจะทึบนะเพราะว่าไฟมันก็ไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็จะมีพวกสตัตว์นี่มากินน้ำพราะมันใกล้กับแหล่งน้ำา ว, วันหนึ่งเนี่ยกลางดึกก็มีขาที่ท่านกำลังจะเคลิมเคมหลับ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 ท่านตกใจมาต้องก็รีบปิดประตูแล้วก็หาอะไรที่พอจะเป็นอาวุธได้เผื่อว่าถ้าเกิดมันเข้ามาก็จะได้สู้กันแล้วมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่ระเบียงกุฏิเนี่ยอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินลงจากกุฏิไปแต่ท่านก็ไม่ ว, า, วางใจนะก็ระแวดระวัาวางคืนนั้นทั้งคืนแทบไม่ได้หลับตื่นมาเป็นพั ก, พก ตื่นเช้าคือมาได้เวลาบินธบาตท่านก็ค่อยๆเงยงา น, นประตูออกมาก็ไม่มีอะไรก็สังเกตว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าสบู่นะกล่องสบู่เนี่ยมันหายไปท่านก็ลงจากกุฏินะเพื่อที่จะไปบินธบาตพอเดินเกือบจะพ้นบริเวณกุฏินะบริเวณที่เป็นกุฏิท่านเนี่ยก็เห็นกล่องสบู่มัน อยู่ตกอยู่แถวราวป่ามาดูสบู่นะครับพบว่ามันมีรอยรอยกัดแต่มันเป็นรอยหนูนะรอยหนูไม่ใช่รอยหมีท่านก็เลยรู้แล้ลว อ, อ๋อไอ้ที่ท่านคิดว่าเป็นหมีนี่ที่จริงมันเป็นหนูนะหนูนี่มันขึ้นมากุติท่านนะท่านตกใจนึกว่าหมีนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าใจนะใจที่ปรุงแต่ง กลางคืนในป่าเนี่ยเสียงมันดังเสียงมันจะชัดกว่าปกติบางคนเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบกุฏิโดยเพพาะในช่วงหน้าแล้ง ห, หน้าหน้าหนาวเนี่ยใบไม้มันจะกรอบแห้งก็จะตกใจมากนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่คนแล้วมันเป็นหนูนะหนูมันก็เดินหาอาหารมันหากินกันมันไป ก็เดินรอบนะกติใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่ปรุงแต่งเสียงที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็นความน่ากลัวได้หลวงพ่องเดียวกันเนี่ยที่ท่านไปเข้าใจว่าหนูนี่คือมีเนี่ยนะมีปีหนึ่งท่านก็ไปไปสวดศพนะที่หมู่บ้านป่าไม้หมู่บ้านป่าไม้อตรงเนี่ยด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านตายท่านก็ไปสวดศพแล้วก็ศพนั้นก็ตั้งมาได้วันสองวันแล้วเตรียมจะเผาแล้วนึกสึจะเผาวันนั้นแหละก่อนที่จะเผาก็ก็เปิดดูนะดูศพก็เห็นศพนี่เขียวเลยนะเขียวเลยแต่ก็ยังไม่ถึงกับอืดเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่วันสองวัน ก็เผาเสร็จท่านก็คุยกับชาวบ้านต่อจนกระทั่งค่านะชาวบ้านก็อาสาจะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องท่านเดินกลับเองแต่พอเดินกลับบ้านี่มันก็มืดเนี่ยนะมืดท่านก็ชักกลัวขึ้นมานึกถึงหน้าคนตายทัานที่ก็เป็นคนรู้จักกันนะแต่ว่าพอกลายเป็นศพแล้ว ม, มันก็เขียวกลัวขึ้นมา พอกลัวขึ้นมานี่ก็คิดไปแล้วว่านี่มันจะตามท่านมาหรือเปล่านะผีเนี่ยเดินมาถึงสารหน้าเดินมาถึงสารหน้าเนี่ยก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่ามีเห็นใครเนี่ยไปไปนั่งไปไปนั่งอยู่ที่อ่าบันได น, นว่าตาฝาดไปดูที่เอาไม่ใช่แล้วท่านก็เดินขึ้นมาเนี่ยเดินขึ้นมา ผ่านสาลาไก่แล้วก็เดินขึ้นขึ้นเขาไปสมัยนั้นหอไตเนี่ยมันอยู่ตรงโน้นอยู่ข้างบนหอไตเนี่ยทางเดินขึ้นหอไตนีมน่มันจะมันจะมันจะวองเวงมากนะแล้วก็บนนั้นก็มีก็มีท่านอยู่รูปเดียวตอนนั้นเนี่ยกุฏิธรรมาก็อยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าไม่อยู่ท่านอยู่วัดคนเดียวสมัยก่อนเนี่ยสุกโตเป็นยางไงจริงๆนะคือว่า ทั้งวัดเนี่ยมีแค่พระรูปหนึ่งนะบางคราวก็มีสองรูปหรือว่าอาจจะมีพระอันมีโยมอยู่บ้างนั่นคือเมื่อประมาณสาสิบปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไม่อยู่ท่านก็ชักกลัวเนจะ้ขนก็เริ่มลุกขึ้นมาแล้วว่าเหมือนก็มีอะไรตามมาข้างหลังพอมาถึงหอใจเนี่ยมองไปที่มองไปที่บันไดนะก็เหมือนกับว่าเห็นผีนี่มามายืนอยู่นะตกใจ ท่านก็รีบก้านะรีบสาวเท้านะกลัวมากเลยตอนนั้นบอกกลัวมากรีบสาวเท้าไปแล้วก็พอใกล้ถึงกุฏิก็ใจชื้นนะแต่พอถึงกุฏิเนี่ยเกือบจะถึงทางเข้าแล้วปรากฏว่าไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนก็มีอะไรเนี่ยคือมันถูกยึดเอาไว้ยามที่ทานสะพายเนี่ยนะมันก็มีคนเนี่ยรังรังรังยามท่านเอาไว้ไปไม่ได้ตกใจนะโอ้ผีมาดึงแล้วเนี่ย ทำไงสับบัดเลยนะทิ้งญาตินไว้เลยแล้วก็รีบเข้ากุฏิปิดประตูนะหน้าต่างตัวสั่นเลยนะแล้วก็คืนนั่งนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นขึ้นมาได้เวลาเช้าก็ทําวัดอ่าบินธบัดตอนนั้นไม่มีทําวัดเพราะมีพ้ารูปเดียวก็ต้องบินธบัดบินธบัดก็ค่อยนะพอเดินลงมาจากกุฏิ พอผ่ามาถึงจุดที่มันมีการยื้ยุทธ์กระชาติกันพบว่าเห็นย้ามเนี่ยมันไปแขวนไว้กับพวกง่ามไม้อะนะไม้เนี่ยไอ้ย่ามเนี่ยมันไปติดอยู่กับง่ามไม้ไม่มีใครดึงนะไม่มีผีอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันไปติดกับง่ามไม้แล้วก็ท่านก็น้อว่าผีนะดึงไปอันนี้เพราะอะไรนะมาเพราะความกลัว ความกลัวมาจากไหนก็มาจากใจของเราบ่อยครั้งเรากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็กลัวในสิ่งที่ไม่มีด้วยซ้ําอันนี้เราความปรุงแต่งและความปรุงแต่ง น, นี้แหละใ น, น, น ท, ที่มันทําให้เราไม่เพียงแต่กลัวแต่มันทําให้เราเกิดความวิตกกงังวลความวิตกกังวลของเราหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเรื่องงานเรื่องการก็ดีเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี ไปตรวจสุขภาพนะหมอนัดมารับผลนัดวันรับผลอีกสามวันข้างหน้าไอ้สามวันข้างหน้าหรือสามวันจากนั้นเนี่ยนะชาเราหลายคนเนี่ยมันมันก็ตกนรกเลยเพราะว่าเขาคิดไปขั้นว่านะหมอาจจะพบมะเร็งอาจจะพบเนื้อร้ายไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ย กินไม่ได้นอนไม่หลับสามวันเต็มเต็มสามวันตลอดสาวันนี่ก็เหมือนกับตกนรกเลยแต่พอมารับผลตรวจก็พบว่าไม่มีอะไรนะใจก็ชื้นโล่งอกเลยแล้วก็มาได้คิดว่าเนี่ยเป็นเพราะความปรุงแต่งแท้ๆสามวันที่ผ่านมาควรจะอยู่อย่างปกติสุขกับเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะใจนะใจมันปรุงแต่ง ธรรมะเราคนเราเนี่ยมันก็เพร่อจะปรุงแต่งสา ร, รพัดนะเพราะนี่เป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าถ้าเราปรุงแต่งแบบไม่รู้เนืรู้ตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์มากความทุกข์คนเราเนะ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นสาเหตุสองประการก็คืออันที่หนึ่งก็คือจิตเนี่ยไปนึกคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วมัน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 โทษตั ว, อวเองว่าเนี่ยน่าจะอยู่นะวันนั้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกผิดติดค้างใจด้วยคำว่าน่าจะฉันไม่น่าไปนอนไปนอนพักเอาแรงเลยนะถ้าได้อยู่กับแม่ถึงจนถึงนาทีนั้นนะฉันก็จะได้ได้ดูช่วยท่านจนไปสู่สุคติหลายคนมีความทุกข์เพราะเห็นนี้ แล้วก็หลงโทษตัวเองเพราะคำว่าน่าจะหรือโทษตัวเองว่าไม่น่าไม่น่าไปเลยนะซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้ะความทุกขีประการหนึ่งก็เกิดจากการที่ไปไปอยู่กับอนาคตนะอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อเชานะ้าเนี่ยทํางานก็คิดถึงว่าเนี่ยเมื่อไหร่งานจะเสร็จสักทีหรือว่าไปนึกปรุงแต่งว่า ถ้า ง, งานออกมาไม่ดีจะเป็นอย่างไรเกิด ค, ความกังวลกับ ค, ความวิตกขึ้นมาเกิด ค, ความเครียดหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องไปฟังผลตรวจอีกสาวันข้างหน้าเนี่ยคิดปรุงแต่งสารพัดใ น, นคนเราทุกใจเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็สองสาเหตุนี่แหละคือไปอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันหรือจะเรยว่าทุกข์เพราะความคิดก็ได้นะ คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตความทุกข์ใจคนเรานี่เรียกว่าทุกพรความคิดทั้งนั้นนั่นถ้าไมอดีตก็อนาคตเยอะเลยว่าแปสเก้ิบเปซของความทุกข์ใจเกิดจากความคิดปรุงแต่งหรือว่าการที่ไปยึดติด ก, กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ทันความคิดนะก็จะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆในที่จริงจะพูดว่าคนเรา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 มีความคิดก็เป็นผู้คิดมีความกรัวก็เป็นผู้โกรธมีความวิตกเกิดขึ้นก็เป็นผู้วิตกแทนที่จะเห็นมันอันนี้คือตัวการใหญ่เลยนะเวลามีความทุกเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยโดยเพราะเมื่อเกิดการกระทบขึ้นมาเช่นตาให้รูปหูได้ยินเสียงหรือว่าจมูกได้ลิ้มรสหรือว่ากายได้สัมผัสเนี่ย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 คนมักจะไม่ค่อยตอนหนักเท่าไหร่ว่าเนี่ยคือตัวการที่สําคัญปัจจัยภายนใกคือใจนะใจที่เปิดช่องให้ความทุกข์ความโกรธเนี่ยเข้ามาครอบงําเวลาเราทุกข์ใจเวลาเราโกรธเวลาเราเศร้าเสียใจเรามักจะโทษคนโทษปัจจัยภายนอกว่าเป็นเพราะเขาพูดไม่ดีกับเราเป็นเพราะเขาต่อว่าด่าทอเราเป็นเพราะเขาโกงเรากินแรงเรา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 นะเมื่อเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยมันก็แปลว่าใจเรามีแผลปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาครอบงมหรือปล่อยให้คำพูดที่เสียดแทงใจมาทิ่มแทงกริดใจเราให้เป็นแผลได้มันไม่ใช่แค่คำพูดของเขานะแต่เป็นเพราะใจเราที่เปิดช่องนะหรือว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยและคนบอกว่าเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะว่า คนนั้นคนนี้ขโมยความสุขไปจากฉันก็ เ, เอาความสุขไปจากฉันจริงๆแล้วไม่มีใครที่ขโมยความสุขไปจากเราได้นะคนอื่นเนี่ยทาได้แต่เพียงขโมยเงินไปขโมยเพชรนินจินดาขโมยโทรศัพท์ขโมยรถแต่ว่าไม่มีใครที่จะขโมยความสุขไปจากใจเราได้ถ้าว่าเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจเรานั่นเอ ง, เองเที่ไปไปบีบคั้นทําลายความสุขที่มีอยู่ หรือไม่นะก็ไปเปิดช่องให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาย่ำยีจิตใจเราอย่างมากก็ทำได้แค่นั้นคือเปิดช่องให้เขาเข้ามาทำร้ายอ่าจิตใจของเราก็คือต้องมีเราหรือใจของเราเนี่ยแหละที่ไปเปิดช่องให้ไปเชื้อเชิญเขาอาจารย์แชาสลโลพูดได้ดีนะผู้บอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีใครที่จะ บังคับให้เราทุกข์ได้ไม่มีสิ่งใดหรืออะไรที่บังคับให้เราทุกข์ได้มันมีแต่มาชวนให้เราไม่พอใจมีแต่มาชวนให้เราเป็นทุกข์ชวนให้เราโกรธส่วนเราจะรับคำชวนหรือคำเชิญหรือไม่เนี่ยอยู่ที่เราไม่มีใครบังคับได้ปัจจัยภายนอกนี่แค่ชวนหรือเชิญ ไม่สามารถบังคับให้เราทุกได้เขาแค่มาชวนให้เราทุกชวนให้เราไม่พอใจหรือที่ว่าเราจะรับคำเชิญรับคำชวนหรือเปล่านะหรือว่าเราจะเปิดช่องหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเลยนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากอะไรมากเท่ากับใจที่มีแผลใจมีแผลหรือใจที่เปิดช่อง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 แปลงงา่ายความระลึกได้สัมปชัญญะคความรู้ตัวเพร่เจ้าตัดว่าเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากความระลึกได้ทุกวันนี้เราก็ใช้สติอยู่ประจําอยู่แล้วเนีเสร็จทําวัดเนี่ยเราสามารถจะเดินกลับเข้าที่พักได้เพราะอะไรเพราะเราใช้สติเราระลึกได้ว่าที่พักของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ศาลานอกอยู่ที่ศาลาไก่หรือว่าอยู่ที่ห้องศอนนั้นสอนนี้ หรืออารคยาสารเราเดินกลับไปถึงที่เพราะได้เพราะเราใช้สติหรือคือเราใช้ความเราเราเระลึกได้เราระลึกได้ว่าเรามาทางไหนเราก็สามารถจะกลับทางเดิมได้ถูกเราระลึกได้ว่าเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนนะเมื่อเลิกทําวัดเราสามารถจะกลับไปเอารองเท้ามาใส่ได้ถูกต้องนี่เรียกว่าสตินะเราใช้สติอยู่แล้วในการทํางานตลอดเวลา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 เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตมาว่าเราลืมกายลืมใจขาที่เราตามลมหายใจขาที่เราเดินจงกรมขาที่เรายกมือสร้างจังหวะเราลืมครั้งแล้วลืมครั้งเล่าลืมแล้วลืมเล่า ว, ว่าเรากําลังยกมือเรากาลังตามลมหายใจเราลืมลมหายใจเราลืมอิเลียบ ท, ที่กําลังทําอยู่แต่ว่าในขาที่เราเพลินอยู่กับความคิดลอยไปกับอดีตไหลไปสู่อนาคตเนี่ย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 กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสติปัฏฐานสีเนี่ยก็จะมีสขั้นนะคือความมีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมรวมเรียกวมล้วคือมีสติในกายในใจระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจไม่ลืมกายนะความระลึกได้เนี่ยระลึกได้ว่ากําลังเดินจงกรมกําลังตามลมหายใจกําลังสร้างจังหวะเนี่ย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 ก็ทำให้เกิดความรู้ตัวบอกไว้แล้วว่าสติเนี่ยในความหมายหนึ่งก็คือในระดับถึงคือความไม่ลืมกายนะและลึกได้ในกายที่กาลังกาลังทากำลังอยู่ในอีเรียบทใดอเรียบทหนึ่งไม่ลืมใจนะก็คือว่าเวลาใจมันลอยไปนะเวลาใจมันจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความโศกความเสียใจหรือว่าใจเนี่ยมัน มันลอยมันหลายไปอดีตอนาคตเนี่ยอตอนนั้นเรียกว่าลืมใจไปแล้วนะเราปล่อยให้ใจล่องลอยปล่อยให้ใจเนี่ยถูกถูกดึงถูกกระชากไปไปตามอํานาจของรูปรสกลิ่นเสียงจิตมันลอยมันไหลไปตามรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกลอยไปได้ไงก็พอะลืมใจไงพอ เ, เรามีสติ์ขึ้นมาเรารู้นะว่าใจกําลังทําอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นกับใจก็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 ในทางบัญชีในทางวิทยาศาสตร์เคมีแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนอกตัวทั้งนั้นพอมาถึงขั้นเรื่องเรื่องกายเรื่องใจนะลืมบ่อยมากนะลืมไปเลยว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างเขาว่าเนีย่ยนิวตันเนี่ยนิวตันเนี่ยเป็นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากความจําเรื่องทฤษฎีเรื่องเรื่องสม ก, การอะไรต่างๆนี่เรียกว่าแม่นยํามาก แต่บ่อยครั้งก็ลืมไปแล้ว่ากินข้าวหรื อ, อยังลืมไปว่ากินข้าวหรื อ, อยังนะต้องมานั่งคิดดูว่เรากินข้าวหรื อ, อยังวะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนกินข้าวเนี่ยใจลอยนะคิดทฤษฎีอะไรต่างๆอันนี้ก็ลืมตัวนะนะลืมกายแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งนี่ในยุคแรกๆกับไอน์สไตน์เป็นชาวเยอรมันนะสมัยนั้นเนี่ย ศูนย์กลางของฟิสิกส์มันอยู่ที่กอรตินเจนที่เยอรมันไม่ใช่ไม่ใช่ปรินสตันที่ไอน์สไตน์มาอยู่นะคน น, นนั้นมีในนั้นเนี่ยมีพวกฉลาดปราดเปลืองเยอะมากนะก็มีคนหนึ่งแกก็คิดทฤษฎีแรงแกนนั่นแหละนะกินก็คิดนอนก็คิดตอนเช้าก็ไปทำงานระหว่างที่เดินแกก็คิดทฤษฎีตกว่าเดินสะดุด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 ก่อนที่เราจะไปทำความทุกข์ให้ใบใครายด้วยการทำร้ายเขาด่าว่าเขาเนี่ยเราทุกข์ก่อนนะเราทุกข์เพราะความลืมตัวเราทุกข์เพราะลอยใจเราเนี่ยลอยไปนะแปดีตแปรนาครหรือว่าปรุงแต่งหรือว่าจมอยู่ในความโกรธมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูก เ, เกิดความไม่พอใจขึ้นมา ที่แเกิดเวทนาก่อนทุกขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยนะมันเกิดโทสะตามมาแต่ถ้าเกิดสุขเวทนาเมาเกิดตัณหาตามมานะอยากได้ไอ้ตัณหาเนี่ยที่อยากได้อาจจะไม่เป็นปัญหามากเท่ากับเวลาเกิดโทสะเพราะว่าเกิดทุกขเวทนาจากผัสสะไอต้ตองเนี้ยมันจะลืมตัวจมเข้าไปในในในโทสะนั้น แล้วก็ถูกความโกรธเผาลนจิตใจอันเนี้ยเรียกว่าลืมใจนะปล่อยให้ใจถูกเผาแล้วก็ปล่อยให้ใจเนี่ยมันถูกเผานี้ไปเรื่อยๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนความดันขึ้นหรือว่าสุดท้ายก็ต้องระบายความทุกข์ใส่คนอื่นแต่ก่อนที่คนเราจะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นเนียมันมันทาร้ายตัวเองก่อน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 หรือว่าทำไปเพราะอานาจของความโกรธนะมันก็ทำได้ประเดียวประดาวแต่ว่าถ้าเราทำด้วยโดยมีความสุขเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ทำให้เราทำได้ต่อเนื่องมันไม่มีคำ ว, ว่าท้อไม่มีคำ ว, ว่าหมดแรงเราทำงานเพื่อส่วนรวมนะถ้าเรามีความสุขนะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็ทำให้เราทำมาได้ต่อเนื่อง แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะทํางานเพื่อส่วนรวมแต่ว่าทําตนไม่ต่างจากพัดลมนะพัดลมเนี่ยนะมันทํามันให้ความเย็นแก่คนอื่นนะแต่ตัวมันร้อนชั่วงแรกอาจะไม่เท่าไหร่นะแต่พอผ่านไปสองชั่ 3, วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยความเย็นอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าลองไปจับเครื่องดูนะมันร้อนหลายคนทํางานคล้ายๆพัดลมเนี่ยหรือมีชีวิตคล้ายๆกับพัดลมนก็คือทําความสุขให้แก่ผู้อื่นแต่ว่าตัวเองเนี่ย ร้อนใจนี่ทุกเจ้าพัดลมที่มันร้อนเนี่ยมันก็ทางานไม่ได้ไม่นานหรอกสักวันมันก็ต้องหยุดมันก็ต้องเสียไปแต่คนเราเนี่ยเราไม่ใช่พัดลมนะในข่ะที่เราสามารถจะให้ความสุขแก่คนอื่นเราก็สามารถจะสร้างความสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากภายนอกเป็นความสุขที่ออกมาจากใจ คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องอาศัยความสุขจากภายนอกกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะได้รับคำชมแล้วคนเราเนี่ยความสุขของคนเราจำนวนมากเนีน่ยอาศัยรูปรลกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งภายนอกทั้งนั้นแต่ถ้าจริงแล้วเนี่ยเรามีแหล่งแห่งความสุขอยู่ภายในเมื่อ 3-4 มสวันก่อนนะคณะนักบวชหมู่บ้านพรมก็มา มามาสวดมนต์ให้หลวงพ่อแล้วก็มอบลายมือลายผูกันของหลวงปู่ติดณัดหันให้กับทางวัดท่านเขียนว่า mindfulness is a source of happiness สติคือแหล่งแห่งความสุขท่านใช้คำว่าอ่ะนะไม่ใช่คำว่าเด e แปลว่าแหล่งแห่งความสุขเนี่ยมีเยอะสติเป็นตัวหนึ่ง สติเมื่อมีสติมก็มีความสึกตัวมีความสุกตัวจิตก็เบานะโปร่งสงบมันก็ทําให้เป็นเกิดความสุขที่ที่ลุ่มลึกและนี่คือความสุขที่สามารถจะออกมาจากใจเราแล้วก็หล่อเลี้ยงทําให้เราเนี่ยสามารถจะทํางานได้อย่างต่อเนื่องหลายคนทํางานแล้วเนี่ยก็หมดแรงหมดแรงจะต้องไปฟังเพลงต้องไปดูหนังต้องไปกินเหล้าหรือว่าต้องไปต้องไป เติมความสุขจากภายนอกต้องไปเที่ยวถึงจะค่อยมีแรงนะมาทํางานต่อเอนงั้นก็ดีนะอย่างน้อยก็ดีที่ไม่ไปหาเล่า ไ, ไปหาอบายมุแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราสามารถที่จะผลิตความสุขได้จากภายในเราทุกคนนี่ไม่ใช่ดวงจันนะเราคือดวงอาทิตย์นะดวงจันท์เนี่ยมันไม่มีแสงของมันเองใช่ไหมดวงดวงจันเนี่ยมันสว่างได้เพราะอะไร เพราะมันอาศัยแสงจากภายนอกแต่เราเนี่ยคือดวงอาทิตย์ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปล่งแสงด้วยตัวเราเองทุกวันนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นแค่ดวงจันทร์นะก็คือว่าต้องพึ่งพาแสงจากคนอื่นเพื่อจะเปรียบเพียบให้มันยิ่งก็นนะั่นคือเปรียบมืนกับจริ้งเลนนั่นนะจิงเลนนี่ไม่สามารถจะผลิตความร้อนได้ในด้วยตัวมันเอง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 นอกนอกจากเราสามารถจะผลิตความร้อนได้ตัวมันเองด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะผลิตความสุขได้จากใจเราด้วยและนี่แหละนะคือความสามารถพิเศษที่เราอ า, อาจจะเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นได้ซ้าแต่เราไม่ใช้ความสามารถนี้เราก็เลยพึ่งพาความสุขจากภายนอกเหมือนกับจิ้งเหลนที่คอยรอรับความอบอุ่นจากแดดจากดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วนี่เราสามารถจะ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 อันนี้สงสำคัญมากที่เราจะได้นะจากการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเอาคำนี้ก็เพืดอเท่านี้นะเอากลับครบ